ทุกเย็นหลังทำวัดแล้วเราก็ระลึกถึงบุญกุศลที่เราได้ทำแล้วก็อุทิศให้กับสรรพสัตว์อย่างไม่มีที่ประมาณเลยนะไม่ใช่เฉพาะอุปชาครูบาอาจารย์พ่อแม่นะยังรวมไปถึงพาธิพจัน์แม้กระทั่งศัตรูหรือผู้จองรางจองผ่านเรา ผู้คิดร้ายเราเราก็แผ่ไปให้บางคนมีความเข้าใจว่าบุญที่เราทำเนี่ยถ้าแผ่ไปให้คนอื่นมากเท่าไหร่บุญของเราก็จะเหลือน้อยลงนะมีคนที่เข้าใจแบบนี้นะแล้วก็เลยคิดต่อไปว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อย่าไปอุทิศให้กับจะไปอุทิศบุญให้กับคนอื่นมาก มีการสอนแบบนี้ด้วยนะว่าอย่าไปอุทิศบุญกุศลให้กับคนอื่นมากเดี๋ยวบุญกุศลของเราจะเหลือน้อยลงคนที่เข้าใจแบบนี้หรือสอนแบบนี้ก็แสดงว่าไม่เข้าใจบุญในพุทธศาสนานะเพราะว่ายิ่งให้ยิ่งได้นะยิ่งเราอุทิศบุญกุศลให้กับผู้อื่นบุญก็เกิดขึ้นในใจเรามากขึ้นบุญชนิดนี้เรียกว่าปฏิทานน้ใมนะ บุญในพุทธศาสนานี่มีการแยกแยะเป็นสิบประเภทนะที่เราคุ้นเคยคือทานนำ้ำไมก็ได้แก่บุญที่เกิดจากการให้ทานส่วนปฏิทานนำ้ำไมก็คือบุญที่เกิดจากการอุทิศบุญกุศลให้กับผู้อื่นนะคือยิ่งเราอุทิศให้กับใครก็ตามเนี่ยบุญก็เกิดขึ้นนะกับเรามากขึ้นเท่านั้น นะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวหมดนะมีทําบุญมีเท่าไหร่ก็ไม่ต้องหวงไม่ต้องห่วงนะแผ่ไปให้ทุกทิศทุกแดนไปเลยแล้วนะคนที่เข้าใจว่ายิ่งแผ่ไปก็ยิ่งเหลือ้อยนงนี้ก็เรียกว่ามีความไม่เข้าใจในบุญของพุทธศาสนาเลย ที่จริงความไม่เข้าใจในเรื่องบุญของพุทธศาสนานี่ก็มันก็มีมากนะหลายคนอาจจะไม่มีความเข้าใจอย่างที่ว่าไม่มีความเข้าใจผิดอย่างที่พึ่งพูดมาสกุลนะแต่ว่าก็อาจจะมีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับบุญในลักษณะอื่นด้วยก็ได้เช่นบางคนไปเข้าใจว่าเนี่ยถวายสังฆทาน จะได้บุญก็ต่อเมื่อมีการกล่าวคำถวายนะถ้าไม่กล่าวคำถวายบุญที่ได้ก็จะน้อยหรือว่าสังกฐานนั้นไม่สาเร็จประโยชน์อันนี้ก็เป็นความเข้าใจที่ผิดนะเพราะว่าเพียงแค่ตั้งใจจะถวายอันนี้ก็ได้บุญแล้วนะแค่ตั้งใจและถ้าหากว่าได้ลงมือถวายนะยิ่งถ้าจิตใจผ่องใส ถวายเสร็จใจเบิกบานก็ยิ่งได้บุญบุญนี่เป็นเรื่องของใจนะบางคนก็ไปติดที่รูปแบบนะรูปแบบหรือพิธีกรรมเนี่ยมันเป็นเพียงแค่ช่วยส่งเสริมให้ใจเราสงบให้ใจเราเป็นกุศล น, นะทำให้ให้ใจเราเนี่ยเหมือนกับแก้วน้ำที่เมื่อว่างก็สามารถจะรับ น้ำได้เต็มเต็มใจที่ว่างนะว่างจากเรื่องกังวลเรื่องฟุ้งซ่านเนี่ยก็จะสามารถจะรับบุญได้เต็มๆมนะส่วนคนที่ถวายสังฆทานแม้จะกล่าวคำถวายถูกต้องแต่ว่าใจมัววิต ก, กังวลนะเรื่องลูกเรื่องพ่อแม่เรื่องหนี้สินนะหรือแม้แต่กังวลว่า จะได้บุญเต็มเม็ดเต็มหน่วยหรือไม่เนี่ยนะแค่คิดแบบนี้เนี่ยใจก็มีความหมองแล้วนะคือไม่ใสเหมือนกับน้าที่เหมือนกับแก้วน้ำที่มีน้ำเข้าไปอยู่แล้วอาจจะเครื่องค่อนแก้วมันก็ไม่สามารถจะรับน้ำได้เต็มที่นะพิธีกรรมเนี่ยมันช่วยให้ใจ าหายฟุ้งซ่านทาให้ใจสงบนะตัวพิธีกรรมมันก็ไม่ได้มีความหมายอะไรมากกว่านั้นแต่ว่าหลายคนก็ไปติดกับพิธีกรรมมากเช่นทะ้าทวายสังกัทานไม่มีการนารถนาศีล น, นะหรือว่าไม่มีการกล่าวคําถวายสังกทานก็จะได้บุญน้อยนะพิธีกรรมเหล่านี้เนี่ยนะ มันเป็นเครื่องช่วยนะคือช่วยให้ใจเนี่ยเราพร้อมในการที่จะทำบุญด้วยทานและทำให้ใจเราเนี่ยผ่องใสเบิกบานได้ง่ายขึ้นนะแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ทำใจได้ดีแล้วนะจิตใจผ่องใสทำด้วยศรัทธามีความปิติปราโมทตั้งแต่ก่อนจะถวายถึงแม้ไม่ได้กล่าวคาสังกัดทานนะก็เรียกว่าได้บุญ ได้บุญเต็มเต็มเด็กี้มีความเข้าใจสงสัยไนะหลยอย่างเกี่ยวกับบุญซึ่งล้วนแล้วแต่บ่งชี้ว่าไม่ค่อยมีความเข้าใจเรื่องบุญกันเท่าไหร่ <c oughs> เช่นบางคนก็สงสัยว่า <c oughs> เมื่อจะถวายของกับสงหรือให้กับวัดนะถ้าไม่ถวายด้วยมือหรือว่าไม่ถวายให้กับพระโดยตรง <c oughs> เช่นมีของจะถวายแล้วก็ ก็เทก็เอาเข้าครัวเลยนะเอามาให้ที่ครัวเลยไม่ได้มาถวายกับพระนะด้วยมือของตนก็สงสัยว่าจะได้บุญน้อยหรือเปล่านะอันนี้มันไม่เกี่ยวนะจะถวายกับพระโดยตรงหรือว่าจะเอาของมาถวายมาใส่ไว้ในครัวถ้าหากว่า ใจเนี่ยนะขณะที่ถวายเนี่ยเป็นใจที่ผ่องใสเบิกบานนะก็เรียกว่าได้บุญเหมือนกันแต่ว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะรู้สึกว่านะถ้ามาถวายด้วยมือของตนเองนะกับพระสงฆ์เนี่ยนะจิตใจจะผ่องใสได้ง่ายกว่าอันนี้ก็ ก็ต้องขึ้นอยู่กันนะว่าพองใสเพราะอะไรเบิกบานเพราะอะไรเบิกบานเพราะว่าพระเขารู้ว่าเรามาถวายนะเราก็เลยนะหัวใจพองโตนะอยากให้ท่านรู้ว่าเรามาถวายนะถ้าคิดแบบนี้นี่ก็ยังถือว่ามันยังมีเรื่องของหน้าตาตัวตนอยู่นะเวลาดีใจหรือเบิกบานเนี่ยมันก็มีหลายสายเหตุนะถ้าากว่าเบิกบานดีใจเพราะว่า มีคนรู้ว่าเราทําดีมีคนรู้ว่าเรามาถวายนะเกิดความรู้สึกว่ า, อ, าอัตราตัวตนของเรานะหรือว่าหน้าตาของเรานะมันเพิ่มพูนขึ้นนะอันนี้มันไม่ดีเท่ากับความเบิกบานที่ได้ทําความดีนะเช่นมาถวายให้กับสงฆ์แล้ว นะหรือไม่ได้ถวายกับมือของท่านเอามาไว้ในครัวแต่ว่าพอนึกว่าออของที่เราถวายนี่มันก็จะช่วยทำให้พระก็ดีแม่ชีก็ดีคนวัดก็ดีได้มีอาหารนะนึกถึงประโยชน์ของคนเหล่านั้นจิตใจก็เบิกบานอันนี้ดีกว่านะ ความเบิกบานความดีใจเนี่ยหรือความรู้สึกปิติเนี่ยมันมันก็มีหลายสาเหตุนะบางสาเหตุก็มันไม่ทำให้จิตใจเป็นกุศลเท่ากับการที่ทำด้วยจิตที่จะมุ่งหรือนึกถึงประโยชน์ของผู้อื่นหลายคนเวลานี้เนี่ยนะเรียกว่าหมกมุ่นมากหรือว่าครุ่นคิดมากนะว่า ทำอย่างนี้จะได้บุญมากหรือน้อยนะคือเหมือนกับว่าทําบุญเนี่ยโดยเข้าใจว่าบุญเนี่ยมันเหมือนกับคะแนนสะสมนะทำบุญโดยเข้าใจว่าบุญเนี่ยมันเหมือนกับคะแนนสะสมนะถ้าหาว่าคะแนนสะสมได้มากๆมากๆ ก, ก, ก, ก็จะทําให้มีโชคมีลาบร่ํารวยนะมีความสุขกายหรือว่ามีงานการเจริญรุ่งเรือง หลายคนเนี่ยนะทำบุญด้วยความเข้าใจแบบนี้มากนะซึ่งที่จริงนะไอการทาบุญเนี่ยนะผู้จ้า ก, ก็ตัดไว้ไว้แล้วอยู่แล้วนะว่าการให้ทานเนี่ยนะมันย่อมมีอ น, นิสงย์นะย่อมมีอ น, นิสงส์ที่เป็นอายุวันนาสุขภรล ะ, ะนะอันนี้พระก็ให้ให้พร อ, อยู่เป็นประจำอันนี้เราไม่ควรสงสัย แต่ถ้าเกิดว่าคิดแต่จะทำบุญด้วยการที่จ ะ, ะทำบุญด้วยด้วยการคิดแต่ว่าจะได้โชคได้ลาบได้อายุวันนัสุขาภละถ้าคิดอยู่แต่เรื่องนี้เนี่ยนะมันทำให้บุญเนี่ยเกิดในใจเราน้อยนะเพราะว่าใจมันยังมียังมีกิเลสยังมีความโลภยังมีตัณหาอยู่ อันนี้สงของบุญเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจนะว่ามันมีหลายระดับนะมีหลายประเภทประเภทที่เป็นเบื้องต้นหรือเป็นพื้นฐานก็คื อ, อความสุขทางโลกนะอายุวันนาสุขาพลาเนี่ยจะว่าเป็นความสุขทางโลกหรือว่าการมีงานดีมีมิตร ด, ดีมีครอบครัวดีมีสุขภาพดีเนี่ยเราถือว่าเป็นความสุขทางโลก ภาษาพระเลยว่าประโยชน์ปัจจุบันทิฏฐธรรมิกตถะนะทิฏฐธรรมิกตถะหรือว่าอัฏฐะที่มันเป็นเรื่องของปัปจจุบันส่วนใหญ่เวลาทําบุญเนี่ยก็นึกถึงอันนี้แหละอยากได้อา น, นิสงส์อันนี้แต่ที่จริงอา น, นิสงส์นี่มันเป็นอา น, นิสงส์ชั้นต่ำนะมันมีอา น, นิสงส์ที่สูงกว่า น, นั้นชื่อว่าสัมปรายิกตถาก็คือว่าความสุขใจเย็นใจนั่นเอง ทำแล้วจิตแผงผ่องไสใจเบิกบานเนี่ยก็เรียกก็ได้บุญแล้วนะไม่ต้องรอว่าจะมีโชคมีลาบไอโชคลาบนี่จะมาเมื่อไหร่ไม่รู้นะแต่ถ้าทำทำถูกระวางใจเป็นเนี่ยนะมันได้ประโยชน์ละได้ความสุขได้ความสงบได้ความเย็นใจตรงนี้แหละชื่อว่าบุญนะจอตรบ้าเนี่ยบุญเป็นชื่อของความสุข สุกนี่ไม่ใช่สุกทางโลกนะแต่หมายถึความสุขใจนะมันเกิดขึ้นทันทีเลยแต่ว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยไม่เข้าใจนะบุญตรงนี้นะไปเข้าใจว่าเนี่ยทาบุญแล้วนี่ก็จะต้องทําให้เกิดความร่ํารวยทําให้เกิดอ่าบริษัทบริวารและพอคิดแบบนี้เนี่ยก็จะจะคิดว่าเนี่ยเออทำบุญแบบไหน ทำบุญกับใครทำบุญที่ไหนเนี่ยเราถึงจะได้บุญเยอะถ้าทำบุญกับสัตว์เนี่ยนะได้บุญน้อยกว่าทำบุญกับพระก็ไม่อยากทำบุญกับสัตว์หรือทำบุญกับคนยากคนจนได้บุญน้อยกว่าทำบุญกับพระก็ไม่อยากทำบุญกับคนยากคนจนหรือว่าทำบุญกับพระถ้าเป็นปุถุชนได้บุญน้อยกว่าทำบุญกับพระอรหันต์พริยาเจ้าก็ไม่อยากทำบุญกับพระที่เห็นว่าเป็นปุถุชนจะมีลักษณะของของการ เลือกสรรค์แบบเหมือนกับซื้อหุ้น น, นั่นนะหลายคนทําบุญเหมือนกับในลักษณะเดียวกับการซื้อหุ้นก็คือหุ้นตัวไหนให้ผลตอบแทนดีก็ก็ซื้อหุ้นตัวนั้นหลายคนทําบุญก็ต้องดูนะว่าบุญอันไหนจะได้มากกว่าอันนี้ก็เลยเป็นการทําบุญเหมือนกับว่าเป็นการสะสมคะแนน แลนะพอเชื่อว่าถ้าได้คนานนสาสมมากๆแล้วเดี๋ยวก็จะทำให้เกิดความร่ารวยความเจริญยังเป็นการทําบุญด้วยใจที่มีกิเลสนะมีตัณหาอยู่และแถมมีอวิชชาหรือความหลงด้วยคือโมหะนะพอไปคิดว่าบุญอันที่สองของบุญมีเท่านั้นหรือว่าอั น, นิี่สองที่ดีสุคือการร่ำรวยที่จริงมันเป็นอั น, นิี่สองชั้นต่ำนะ ที่ดีกว่าคือใจที่สงบนะใจที่เบิกบานใจที่ผ่องใสมีปิติปราโมทย์นะแล้วคนเราธรรมชาคนเราเนี่ยถ้าคิดถึงแต่ตัวเองมากเท่าไหร่เนี่ยคิดแต่ว่าตัวเองจะได้อะไรเนี่ยนะจิตใจมันจะไม่ผ่องใสท่า ก, าการที่คิดถึงผู้อื่นนะคิดถึงประโยชน์สุขของผู้อื่นมาถวายอ่าทานให้กับสงฆ์ก็มุ่งแต่ว่าเออ ม, ม, มุ่งนึกถึงประโยชน์สุขของของท่าน นะอันนี้จะได้บุญมากกว่าคิดถึงแต่ว่าเราจะได้โชคได้ลาบมากน้อยแค่ไหนนะเพราะว่าถ้าคิดถึงคนอื่นที่ถึงประโยชน์สุขของคนอื่นเนี่ยจิตใจก็จะผ่องใสมีความปิตนะิเป็นเพราะว่าไปเข้าใจว่าทำบุญเพื่อหวังนะได้โชคได้ลาบบางคนก็เลยคิดแต่จะทำบุญกับพระนะ แต่ว่าไม่มีน้ําใจที่จะช่วยเหลือคนทุกคนยากคนที่เดือดร้อนนะมีบางเคยได้ยินนะเจ้าของโรงเรียนโรงเรียนหนึ่งนะั้นชอบทำบุญมากนะถวายเงินให้กับวัดทอดกรถินทอปลาปานี่เป็นแสนเป็นล้านแต่ว่าเวลานักเรียนไม่มีเงินจ่ายค่า เ, าเรียนนะเพราะยากจนนี่ก็ไล่เขาออกแล้วก็มีแม่เขาเรียนต่อ นะอันนี้เรียกว่าชอบทําบุญแต่ไร้น้ำใจอันที่เป็นงี้เพราะว่าเา้าเขาทำบุญเพราะเขาหวังผลประโยชน์นะกับตัวเองจริงๆเนี่ยการทําบุญเนี่ยถ้าเรามุ่งประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับผู้อื่นเนี่ยมันมันเป็นการช่วยลดนะเป็นเกินช่วยเสริมสร้างเมตตากรุณานในใจแล้วก็ลดความเห็นแก่ตัวนะ คนเราเนี่ยถ้าหากว่ามีความมพียรตัวน้อยลงเท่าไหร่เนี่ยจิตใจก็ผ่องสายเบิกบานได้ง่ายแล้วก็มันเป็นการช่วยทําให้เราได้เข้าใกล้หรือเข้าถึงอ น, นิสงค์ของบุญประการที่สมที่ถือเป็นเป็นอ น, นิสงส์สูงสุดเขาเรียกว่าปรมาถะประมัาถะหรือปรมัต์เนี่ยนะก็คืออัตถะหรือประโยชน์ขั้นสูงสุดก็คือนิพพาน หรือว่าถึงแม้จะยังไม่เข้าถึงนิพพานแต่ว่าเข้าใกล้นิพพานทุกขณะทุกขณะอันนี้เป็นบุญ เ, เรียกว่าสูงสุดนะเป็นอัธพประโยชน์ที่สูงสุดในทัศนาของพุทธศาสนาซึ่งเวลาเราทำบุญเนี่ยเราก็สามารถจะจะทำเพื่อขยับให้เข้าใกล้พนิพพานมากขึ้นเรื่อยๆได้ทำอย่างไรนะ ก็ทําด้วยใจที่ปล่อยวางจำทำด้วยใจที่มุ่งลดละเช่นเวลาทําบุญนี่ก็ไม่ได้มุ่งเลยนะว่าฉันจะได้ประโยชน์นะฉันจะได้อะไรนะแต่ทําเพราะใจที่อยากจะให้อย่างเดียวนะอันนี้ก็เรียกว่าช่วยลดช่วยละนั่นะแล้วก็ทําให้เกิดการปล่อยวางนะหรือว่าให้เพื่อที่จะ ลดละความเห็นแก่ตัวให้เพื่อที่จะลดละความยึดติดในสิ่งของมาธรรมดาคนเรานี่ก็มีความห่วงแหนยึดติดในสิ่งของไปยึดว่าเป็นตัวกูของกูนะไอการที่จะให้โดวยว่าให้ของที่รักของห่วงของแหนี่ก็เป็นเรื่องที่ยากแต่ให้แล้วเนี่ยนะมันเกิดผลทางใจทันทีนะก็คือช่วยลดช่วยละช่วยปล่อยช่วยวางอันนี้แหละเป็นประโยชน์หรืออ น, นิสง นะสูงสุดนะของการทำบุญนะในพุทธศาสนาทำบุญไม่ใช่เพื่อจะเอาเอามากๆ ม, มีมากๆไม่ใช่แต่ทำบุญเพื่อที่จะลดแต่ละให้มากที่สุดนะโดยพอการลดละความยึดติดถือมั่นในตัวตนในบทกรดน้ำนะทาวัดเย็นเนี่ยที่จริงมีตอนต่อนะจะมีข้อความว่าด้วยบุญนี้ที่เราทำและอุทิศให้ปวงสัตว์ เราพรันได้ซึ่งการตัดตัวตันหาอุปาทานสิ่งชั่วในดวงใจกว่าเราจะถึงนิพพานอันนี้แหะคือจุดหมายสูงสุดของการทําบุญนะคือตัดตันหาอุปาทานแล้วก็สิ่งชั่วในดวงใจสิ่งชั่วในดวงใจคือกิเลสนั่นเองเราทําบุญเนี่ยเพื่อลดเพื่อละเพื่อขจัดสิ่งชั่วในดวงใจออกไปรวมทั้งตันหาอุปาทาน ไม่ใช่ทำเพื่อที่จะเอาเอามากๆเอามากๆนะพอคิดจะเอามากๆแล้วเนี่ยมันก็จะเกิดความสงสัยอยู่ตลอดเวลาว่าทำบุญแบบนี้ได้บุญน้อยหรือได้บุญมากนะไม่ได้คิดเลยว่ามันอยู่ที่ใจนะบุญเนี่ยอยู่ที่ใจอยาคำถามต่างๆมีมากมายเกี่ยวกับการทำบุญนะบางคนก็มีความสงสัยว่ามาเป็นเจ้าภาพทอดกระถินแต่เนื่องจากตัวเป็นผู้หญิงนะ ก็เลยเข้าใจว่าการการถวายผ้าก็ต้องให้สามีมาเป็นผู้ถวายพอเป็นผู้ชายเสร็จแล้วก็สงสยัยเออเราเร า, เราจะได้บุญหรือเปล่าเนี่ยเพราะเราไม่ได้ถวายกับมือนะแต่เราให้สามีถวายเนี่ยเพียงแค่คิดแบบนี้ใจก็มองแล้วนะไม่มีความไม่มีความเรียกว่ามีความผ่องใสเบิกบานน้อยลงนะ ที่จริงแล้วเนี่ยจะถวายกับมือหรือไม่นี่ไม่สำคัญเลยนะถ้าพูดถึงบุญนะเพราะว่าถ้าหากว่าถวายด้วยใจที่มุ่งประโยชน์ต่อสงฆ์อยากจะเชิดชูาศาสนารวมทั้งถือว่าเป็นการช่วยลดช่วยละขัดเกลาจิตใจนะแม้กระทั่งว่าไม่มุ่งประสงค์จะได้อะไรเลยนะจาก การถวายเนี่ยมันก็ถือว่าได้บุญแล้วนะยิ่งอยากได้อยากได้บุญมากๆนะกลับได้น้อยลงนะแต่ยิ่งไม่อยากได้เพราะว่าไม่อยากได้อะไรเข้าตัวเลยนะคิดแต่ว่าจะอุปถัมภ์อุดหนุนนะคณะสงฆ์หรือรศาสนานี่กลับได้บุญนะอันนี้เราต้องเข้าใจดีๆหรือว่าเอาไปคิดเอานะ ยิ่งอยากได้บุญจะทําอะไรก็คิดเล็กคิดนั่นคิดอยู่นั่นแหละว่าได้บุญหรือเปล่าเอเราเอาของมาถวายที่วัดไม่ได้เอามาถวายกับพระโดยตรงเอามาไว้ที่ครัวเลยจะได้บุญไหมนะอันนี้แหละนะพอคิดแบบนี้เข้าเนี่ยบุญก็ตกหล่นเลี่ยไ่ลาดไปแล้วแต่ว่าถ้าทําโดยคิดว่าเออมาถวายไว้ที่โรงครัว นะจเจอาว่าหรือครูบาจาหลวงพ่อท่า น, นจะรู้หรือไม่ก็ไม่เป็นไรนะไม่ได้คิดจะเอาหน้าไม่ได้คิดที่จะให้ท่านรับรู้หรือรู้เห็นนะเราอยากจะทำนะเพื่อช่วยเหลืออุปถัมภ์พระคนในวัดเนี่ยคิดแบบนี้เนี่ยได้บุญนะได้บุญมากกว่าได้ซ้ําได้มือมากกว่าคนที่มาถวายกับมือนะแล้วก็ดีใจที่ว่าเออท่านรู้ว่าเรามาถวายท่านรู้ว่าเรามาทําทบุญกับท่านนะ หวังความโปรดปรานหวังความชื่นชมสารเสรินจากท่านอันนี้เป็นเรื่องของอัตตาเรื่องของหน้าตานะซึ่งถ้าเราไปยึดมันถือมากมากนี่มันทำให้เรามีความสุขได้ยากนะคนเราเนี่ยถ้ายึดอะไรก็ตามด้วยเพราะยึดหน้ายึดตายึด อ, อยากจะให้คนชมคนสารเสรินก็จะทุกข์ง่ายนะสุขยากและจะว่าไปแล้วเนี่ย การทําบุญที่มีอ น, นิสงฆ์มากเนี่ยมันไม่ใช่การให้ทานนะแต่มันคือการรักษาศีลคือการภาวนาถึงแม้ว่าจะไม่ค่อยได้มาทําบุญให้ทานกับมือเป็นเจ้าภาพภาพป่าเป็นเจ้าภาพกระถิ่นนะแต่ว่าเวลามีอะไรมากระทบนะก็ใจก็สงบได้มีใครมาต่อว่านะใจก็ไม่ทุกข์ไม่ร้อนนะ อันนี้ได้บุญกว่านะได้บุญมากกว่าเราเคยทำบุญชนิดนี้บ้างหรือเปล่านะหรือว่าให้ความสำคัญกับบุญชนิดนี้หรือเปล่านะเขาตอบว่าเราอย่างไรนะเราก็ยิ้มมีบางคนยกมือว่าได้ซ้านะมีเพื่อนคนหนึ่งชื่อโจนจันดายนี่สมัยที่ยังเป็นหนุ่มไปทำงานในเมืองไปเป็นพนักงานในโรงแรมแต่ว่าเจ้านายนี่ ชอบดุชอบดา่านะดาก่อนนะแล้วก็ไม่ฟังคราวนึงก็ไปใช้ให้เขานี่ไปขัดขัดลูกบิดในห้องห้องพักของแคกเอาบรัสโซนี่ไปขัดแล้วก็ว่าง่ายแนละ้วก็ไปขัดขัดเกือบจะเสร็จแล้วผู้จัดจาการโรงแรมเดินมาเห็นก็มาว่าเขาว่า ขัดได้ยังไงบรัสโซเนี่ยมันเอามาขัดกับไอ้ลูปบิดแบบนี้ไม่ได้หัวหน้าเขาเนี่ยแม่บ้านเนี่ยก็พูดซ้ําว่าเขาซ้ําทีแล้วว่าแกไปขัดได้ยังไงเนี่ ย, ยว่าเขาเลยนะทั้งที่เป็นคนสั่งเขาเองมกุฏาชกจจินิแทนนี้เขาจะโกรธนะก็กลับยกมือไหว้ขอบคุณครับอันที่แรกขอโทษก่อนนะขอโทษครับแล้วขอบคุณครับไหว้แม่ไหว้ไหว้วเจ้านายคนหะน้าที่ มาซ้ำเติมเพราะทั้งที่เป็นคนสั่งเขาเองให้ให้ไปขัดลูกบิดแล้วเขาก็ฝึกแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกระทั่งเป็นเป็นอัตโนมัติหรือเป็นธรรมชาติเลยคือไม่โกรธเลยนะใครว่าอะไรมาก็ยิ้มนะบางทีก็ยกมือไหว้ขอบคุณครับนะนี่ก็เรียกว่าได้บุญนะนะบุญชนิดนี้มันไม่ทำให้มีโชคมีลาบเออร่ำรวยแต่ว่ามันช่วยลดความทุกข์ แล้วลดความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนลดความยึดมั่นถือมั่นในหน้าตานะซึ่งอันนี้ประเสริฐกว่านะเพราะว่าร่ํารวยนะมีชื่อมีเสียงอย่างไรเนี่ยมันก็ยังหนีทุกข์ไม่พ้นนะเราก็เจอมาเยอะได้ฟังเรื่องราวมาเยอะคนที่ร่ํารวยนะประสบความสําเร็จในชีวิตในการทํางานแต่ว่ากลุ่มใจเป็นโรคประสาทนะ บางคนก็ฆ่าตัวตายเพราะว่ามันไม่ใช่หลักประกันทำให้มีความสุขได้สุขกายใช่แต่ไม่ใช่สุขใจถ้าสุขใจก็เพราะวาความยึดมั่นถือมั่นลดความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนรู้จักปล่อยรู้จักวางด้วยความคิดอะไรที่ทำให้จิตใจเศร้าหมองจิตใจโกรธแค้นก็รู้จักปล่อยรู้จักวางไม่เอามารบกวนจิตใจไม่มาหมกมุ่นกล่นคิด อดีตผ่านไปแล้วก็ไม่เก็บเอามารบหัวไม่เอามาทิมแทงใจนี่ก็ปล่อยวางเหมือนกันนะแล้วเราก็้อเราก็คงจะรู้นะถ้าปล่อยวางแบบนี้ได้ใจเป็นสุขนะถึงแม้ว่ายังไม่สามารถปล่อยวางความยึดมั่นในตัวกูของกูได้นะแต่ว่าอดีต ท, ที่ผ่านไปแล้วก็ปล่อยวางได้นะใจก็สงบได้ใจที่สงบนั้นก็เป็นบุญนะนะบุญแบบนี้แหละนะที่เรา ควรจะทำสม่ำเสมอนอกหนือจากการให้ทานนะหรือว่าสแสวงคิดหาจ่ลูทางการถวายทานนะบางคนนี่คิดแต่เรื่องการถวายทานอย่างไรถึงจะได้มีอา น, นิสงส์มากๆแต่ว่าไอ้บุญชนิดเนี้ยที่ว่ามีอะไรมากระทบใจแต่ว่าก็ไม่ไม่คุณมัวนะไม่โกรธไม่แค้น แม้เขาจะพูดไม่ดีกับเราหรือแม้จะสูญเสียนะของรักนะก็ปล่อยวางได้คนที่เก่งในการให้ทานแต่ว่าของหายนี่ก็กลุ่มใจโมโหขุนเคืองนะต่อว่าโทษคนนั้นคนนี้นี่อันนี้เรียกว่ายัางยังอันนี้แสดงว่า ยังไม่รู้จักการให้ทานที่ถูกต้องนะเพราะถ้าให้ทานที่ถูกต้องเนี่ยจิตใจก็จะปล่อยจะวางได้ง่ายนะของหายเงินหายก็ปล่อยวางได้เพราะว่าได้ฝึกมาแล้วจากการให้ทานอย่างถูกต้องนะแต่ถ้าทานให้ทานโดยการคิดที่จะเอาเนี่ยจะเอาให้ได้มากๆมีโชคมีลาบเนี่ยนะเวลาสูญลาบเสียลาบหรือว่าของหายนี่มันทาใจยากนะเพราะว่าจิตเนี่ยถูกฝึกเอาไว้ในการที่จะเอาให เอาให้ได้มากๆ ม, มีให้เยอะๆนะพระสายรบุตรเคยกล่าวว่านะวิสัยของบดิตเมื่อให้ทานเนี่ยไม่ได้ให้ทานเพราะเห็นแก่อุปธิสุขอุปธิสุขก็คือความสุขทั้งโลกนั่นแหละสุขจากวัตถุ ส, สุขสุขจากความร่ํารวยนะบริษัทบริวารชื่อเสียงเกีติยศอันนั้นไม่ใช่นะบดิตไม่ได้ให้ทานเพราะเห็นแก่อุปธิสุขหรือหวังพบใหม่ พบหมายคือว่าอยากขอให้ไปเกิดเป็นเทวดาขอให้ได้ไปเกิดเป็นเศรษฐีอันนั้นไม่ใช่วิสัยของบัณฑิตแต่บัณฑิตเมื่อให้ทานก็ให้ทานเพื่อมุ่งขจัดกิเลสและไม่เกิดพบไม่เกิดพบคืออะรนิพพานนั่นเองนะอันนี้แหละคือประโยชน์สูงสุดหรือว่าอันทนี่ ส, สูสูงสุดของบุญนะเรียกว่าปรามัตธะนะเราเข้าใจให้เราพยายามเข้าใจดีนะว่าอันที่สอของบุญเนี่ยนะ มันมีหลายระดับนะแล้วก็ระดับสูงสุดคืออะไรและทาอย่างไรนะถึงจะได้รับอนิสงส์นั้นนะนั่นคือทําด้วยใจที่ปล่อยวางนะยิ่งปล่อยยิ่งวางนี่กลับได้นะแต่คั้นอยากได้กลับไม่ไดนะ้แต่ถึงแม้ว่าเวลาเวลาทาบุญ จะนึกถึงแต่พระนิพพานอยากได้พระนิพพานนะอันนี้ก็ยังดีนะเพราะอย่างน้อยมันก็เป็นการย้าเตือนใจว่าพระนิพพานเนี่ยเป็นสิ่งที่ประเสริฐเลิศที่สุดนะเลิศ ก, กว่าทรัพย์สินเงินทองเลิศเลิศ ก, กว่านะความร่ํารวยนะชื่อเสียงกติยศถึงแม้ว่ามันจะเป็นการทําบุญด้วยใจที่อยากจะได้อยู่นะแต่อย่างน้อยเนี่ยก็เป็นการได้ในสิ่งที่ประณีตที่ประเสริฐกว่า แต่ถ้าเกิดว่าเรานะนอกจากจะจิตใจจำงมุ่งตรงต่อพระนิพพานแล้วนะเราก็พยายามฝึกเพื่อการลดกัรละนะความยึดมั่นถือมั่นในตัวกูของกูด้วยยิ่งดีทั้งด้วยการให้ทานก็ให้ท า, น ด, ทลดล า, น, านด้วยใจที่มุ่งลดละรักษาศีลก็รักษาศีลด้วยใจที่มุ่งลดละนะไม่คิดจะอวดไม่คิดจะไปโชว์ใคร นะไม่คิดจะยกตนข่มท่านว่าฉันมีสีนมากกว่าอันนี้ก็เป็นการทำก็แสงว่าช่วยลดเป็นการพยายามลดละนะความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนภาวนาก็เหมือนกันนะภาวนาก็มุ่งจะละนะไม่จะคิดจะเอาหลายคนภาวนาก็ยังคิดจะเอานะอยากจะได้ความสงบอยากจะได้โน่นได้นี่นะอยากได้มีฤทธิ์มีอภิญญา หรือว่าแม้กระทั่งอยากจะเกิดญาณมีลูกศิษย์คนหนึ่งไปถามหลวงพ่อเฟื่องโชติโกนะที่ระยองว่าหลวงพ่อเนี่ยผมปฏิบัตินะผมภาวนามาต้องหลายปีแล้วยังไม่เห็นได้อะไรเลยหลวงพ่อเฟื่องเก็ตอบว่าภาวนาเนี่ยเราไม่ได้ภาวนาเพื่อเอาเราภาวนาเพื่อละอันนี้หลายคนก็ยังไม่เข้าใจนะ เวลาภาวนาก็ยังทําด้วยใจที่อยากจะเอานะเพียงแต่ว่าสิ่งที่เอาอาจจะไม่ใช่เงินทองนะแต่เป็นสิ่งที่มันดูประเสริฐดูสูงนะแต่ก็ยังมีกิเลสมีตันหาอยู่นะต้องผ่านมาสำรวจนะตรวจตราใจของเรานะว่าไม่ว่าเป็นการให้ทานก็ดีการรักษาศีล ก, ก็ดีภาวนาก็ดีเนี่ยเราทําด้วยใจแบบไหนนะใจที่คิดจะเอานะหรือใจที่คิดจะละ ซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยมันก็ขึ้นมันก็อยู่ที่การทําความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องอา น, นิสงค์ของบุญแล้วก็เรื่องการประพฤติปฏิบัติด้วยว่าเราปฏิบัติเพื่ออะไรถ้าเข้าใจผิดเนี่ยมันก็จะคิดแต่จะเอาคิดแต่จะได้ไร้ความคิดที่จะเอาคิดจะจะได้เนี่ยมันทําให้เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติยิ่งอยากได้ความสงบก็ยิ่งไม่ได้ยิ่งอยากได้ญาณอยากได้ปัญญาก็ยิ่งไม่ได้เพราะว่าจิตมันเจอือจิกิเลสไง เจอด้วยตันหาเจอด้วยความหลงนะนะเพราะนั้นนี่เราให้เราเข้าใจนะเรื่องของของบุญเนี่ยนะอย่าทําตัวเป็นนักล่าบุญนะโดยที่ไม่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องบุญอย่างถูกต้องนะถ้าเป็นนักล่าบุญนี่ก็จะเจอแต่ความเศร้าหมองเจอแต่ความขุนมัวได้ง่ายนะเพราะว่าทําอะไรก็คิดคิดคํานวณนั่นแหละ ว, ว่าฉันจะได้บุญเท่าไหร่ คิดแค่นี้มันก็จิตใจก็เศร้าหมองแล้วนะแล้วก็พระคิดแบบนี้แหละทำให้เป็นอุปสรรคนะต่อการเข้าใกล้ปรมาถะหรือการเข้าถึงพระนิพพานอ่าละคำนี้ก็พูดกันเท่านี้นะอากลับะ